1. และสุนวั์สิกขาบทที่4ว่าด้วยการใช้ท่อนยางเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอดีตนางสนมของพระราชาไปบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีภิกษุณีรูปหนึ่งถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้น จึงเข้าไปหาภิกษุณีผู้เคยเป็นนางสนมนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าพระราชาเสด็จไปหาท่านนานๆครั้งท่านทนอยู่ได้อย่างไรภิกษุณีนั้นตอบว่าแม่เจ้าดิฉันใช้ท่อนยางภิกษุณีนั้นถามว่าแม่เจ้าท่อนยางนี้เป็นอย่างไรลำดับนั้น ภิกษุณีผู้เคยเป็นนางสนมบอกท่อนยางแก่ภิกษุณีนั้นต่อมาภิกษุณีนั้นใช้ท่อนยางแล้วลืมล้างวางทิ้งไว้ในที่แห่งหนึ่งภิกษุณีทั้งหลายเห็นท่อนยางมีมแมลงวันตอมจึงถามว่านี่เป็นการกระทาของใครภิกษุณีนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านี่เป็นการกระทาของดิฉันเอง